ศีลพตปปามา m a ความเข้าใจผิดว่าความบริสุทธิ์อาจเกิดขึ้นได้ด้วยศีลพรนนอกศาสนาที่ปราศจากมักมีองค์แปดกามราคะความติดใจในกามาคุณ 5. ปติฆะความกระทบกระทั่งในใจ 6. รูปราคะความติดใจในฌานอาศัยรูป 7. อรูปราคะ ความติดใจในฌานอาศัยอรูป 8. มานะความถือว่าตัวเป็นนั่นเป็นนี่ 9. อุทธจัความฟุ้งซ่านส0อวิชชาความไม่รู้ในสัจจะอันแท้จริงสังโยชน์สามข้อแรกถูกล้างผลาญไปพร้อมกันในคราวเดียวด้วยมหาเพลิงคือพระโสดาปฏิมัติแต่พระโสดาปฏิมัติ